อนาปฏิวันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ667 1. อิภิกษุณีไม่บอกด้วยคิดว่าสงจากบาทหมางทะเลาะขัดแย้งหรือวิวาทกัน 2. อภิกษุณีไม่บอกด้วยคิดว่าสงจากแตกแยกจากร้าวราน3าภิกษุณีไม่บอกด้วยคิดว่าภิกษุณีนี้เป็นคนอยากช้าดุร้ายจากทาอันตรายแก่ชีวิตหรืออันตรายแก่ รมาจันได้ 4. พิกษุนีไม่บอกเพราะไม่พบพิกษุนีอื่นๆที่สมควร 5. พิกษุนีไม่ประสงค์จะปกปิดแต่ยังไม่ได้บอกใคร 6. พิกษุนีไม่บอกด้วยคิดว่าผู้นั้นจะเปิดเผยเพราะกรรมของตนเอง 7. พิกษุนีวิกลจริต 8. พิกษุนีต้นบัญญัติปาราชิกสิขาบทที่2จบ